อันนี้เป็นจดหมายข่าวที่สองเกี่ยวกับเรื่องของการรับประทานอาหารแบบวีแกนซึ่งวีแกนจริงๆไม่ใช่แค่การรับประทานอาหารก็ได้ว่าเป็นวิถีชีวิตเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ได้แค่อาหารอย่างเดียวนะยังรวมถึงน้ำพึ้งยังรวมถึงการไม่ใช้เครื่องหนังขนสัตว์ต่างๆ แต่เป็นเป็นวิถีชีวิตไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องของอาหารแต่บอกว่าเฉพาะเรื่องของอาหารอย่างเดียวเนี่ยแล้วคุณยังใช้เครื่องหนงังยังใช้พวกขนมิงขนสัตว์แบบพวกดาราก็ใช้กันเนี่ยเขาจะใช้คำว่า plant based diet plant based diet คืออาหารประเภทที่เป็นพืชนะเป็นพืชแล้วก็ไม่กินเนื้อสัตว์นะพวกนี้ก็ไม่กินนมไม่กินอะไรพวกนี้ด้วยแต่ว่ายังใช้ พวเครื่องหนังอยู่อย่างดาราหลายๆคนบอยนส์นี่ก็เหมือนกันตอนแรกบอกว่าตัวเองเป็นวีแกนแต่มีคนจับได้ว่าเอาไปใช้เครื่องหนังวันหลังเขาก็เลยเอามาบอกว่าเออฉันเป็นแค่เพลนเบสเฉยๆยังไม่ได้รวมถึงวิถีชีวิตเรื่องอื่นๆองไรก็ตามลักษณะตรงนี้ถ้ากลับมาดูในทางคำสอนของพระพุทธเจ้านถ้า พูดถึงคารวาสแต่คารวาสเนี่ยคือผู้ที่ยังบริโภคกรรมผู้ียังคลองเรือนเพราะฉะนั้นการกินเพื่อความอร่อยมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่คุณจะฟังเพลงเพื่อให้หูมันแบบรู้สึกสดชื่นขึ้นมาบ้างคุณจะกินอาหารเพื่อให้ลิ้นมันแบบแจ่มใสบ้างอันนี้มันธรรมดาของคารวาสผู้ที่ยังบริโภคกรรมเ ร, รมียกว่ากมมโขคนจะไม่เหมือนกับพระ เพราะว่าพระเนี่เป็นผู้ที่ออกจากกรามแล้วแต่ถ้าสมมุติว่าพระเนี่ยไปหาเพลงฟังหรือว่าไปหาอาหารอร่อยๆกินเนี่ยอันนี้มันจะทุกข์ของพระเองเพราะว่าพระเนี่ยมันทำอาหารกินเองก็ไม่ได้ใช่ไหมร้านอาหารอะไร อ, อร่อยๆก็เข้าไปไม่ได้ตอนเย็นหรือบางเวลาเขาเปิดเขาไม่เปิดอย่างเงี้ยอย่างพูดถึงเบอร์เกอร์วีแกนอย่างเงี้ยเขาขายเฉพาะตอน5้าโมงเย็น แล้วซื้อมามันก็ต้องเก็บเอาไว้กินวันต่อไปมันก็ไม่รสชาติมันก็ไม่อร่อยละจะไปกินตอนห้ามงย็นให้มันอร่อยมันก็ไม่ได้มันก็จะทุกข์เปล่าๆไปหาความสุขแบบนี้สําหรับพระเนี่ยมันจะไม่หัวก็ต้องมาหาความสุขอื่นแต่สําหรับคารวะคุณจะกินเพื่ออร่อยมันธรรมดาแต่มันธรรมดาเพราะว่าความที่ยังบริโภคกามอยู่อันนี้ธรรมดาแต่ก็อย่าให้ผิดศีล เช่นต้องไปขโมยเข้ามาอยู่ในกรอบขอบเขตของศีลจะกินอะไรอร่อยอร่อยทำอะไรให้มันดูดีมันก็สามารถทําได้นะอันนี้เป็นความสุขทางตางทางหูถ้ายังยินดีอยู่ในทางนั้นก็ทําไปแต่ให้อยู่ในกรอบขอบของศีล น, น, นี้เป็นเรื่องธรรมดาของฆราวาสนะแต่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาของของพระแต่มันจะเป็นคนละวิถีชีวิตกันเป็นคนละแบบกันทีนี้สําหรับ คนที่แบบมาในทางลีกออกจากกรรมแล้วที่เรากำลังพูดถึงกระบาทที่ดีขึ้นมาละเห็นโทษของกรรมละเราจะลีกออกจากการเนี่ยทำให้เรามีความรู้สึกว่ามันผิดเดี๋ยวรู้สึกผิดไอ้ความรู้สึกผิดนี่คือความรู้สึกละอายนั่นคือฮิริในหิหริโอตตาปะเนี่ยความละอายความกลัวต่อบาปซึ่งกรรมเป็นบาปไหมเป็นนะการมเป็นบาป แต่ถ้ารักษาให้อยู่ในกรอบขอบเขตก็ยังดียังดีกว่าการที่มันหลุดออกนอกกรอบของอ ก, กุศลธรรมเป็นการยุแต่ก็ยังอยู่ในกรอบขอบของกุศลธรรมทีนี้ถ้าบอกว่าเราเป็นผู้ที่มาในแนวทางที่จะลีออกจากรามไอ้วันไหนที่มาวัดหรือว่าวันไหนที่รักษาศีแลแปดในวันนั้นเราก็หยุดเรื่องพวกนี้ ที่จะไปหาของ อ, ร, อร่อยๆมากินแต่ถ้าวันไหนเรารักษาศีล5เออเราจะทําอะไรอร่อยๆกินบ้างอันนี้ก็สามารถทําได้แต่สามารถทําได้คําว่าสามารถทําได้เนี่ยคือหมายความว่าให้อยู่ในกรอบขอบของศีลอันนี้เป็นธรรมดาของคารวาสที่อย่างบริโภครก ร, รมแต่ถ้าเราจะเลิกทําเรื่องพวกนี้แล้วสักวันในวันหนึ่งเราจะหันมากินอะไรง่ายๆไม่ต้องทําอะไรที่มันหรูราฟู่ฟ้าด้วยจิตที่บอกว่าเออฉัน ไม่ได้ยินดีติดในรสชาติเออนี่ก็พัฒนาจิตของเราค่อยๆมาในตามทางนี้นนเพราะว่าคำว่าคาราวาเนก็ยังมีการครองเรือนมันก็ต้องเกี่ยวข้องกับคนอื่นเกี่ยวข้องกับคนอื่นที่เขายังบริโภคกามกันอยู่ในเวลาที่พูดกับเขาก็ต้องพูดเรื่องกินเนี่ยมันอร่อยไหมเรื่องเที่ยวเนี่ยมันสวยไหมดีไหมมันถึงจะเข้ากันได้อะไก็ไปตามทางนั้นไป หน้าที่ก็ทําไปใช่ไหมเราก็รู้จักเชักชวนเข้ามาในทางธรรมะบ้างแต่เขาอาจจะยังมาไม่ได้ในส่วนเรื่องของอาหารแต่ก็ให้มีศรัทธามีศีลมีจาระมีปัญญาในกรณีต่างๆเหล่านี้ก็เชักชวนเข้ามาในทางที่มันจะเป็นเบื้องสูงต่อๆไปคือในประเด็นที่1นึ่ในประเด็นที่2องที่ถามเกี่ยวกับเรื่องของอินทรีย์อินรีย์ของคนที่ เป็นวีแกนได้แบบสมบูรณ์แบบเลยไม่ได้มีติดใจว่าอุ้ฉันจะไปกินเนื้ออีกหรือว่าอยากกินนั้นกินนี้กับคนที่ปฏิบัติธรรมแต่มาว่าปฏิบัติธรรมนขนความปฏิบัติธรรมแล้วก็แต่ว่ากินอาหารนี่ก็ยังแบบไม่กินเนื้อสัตว์ได้ไม่เต็มที่ยังต้องแบบอยากอยู่บ้างอะไรเงี้ยแล้วถามว่าเอ๊สอคนคนสประเภทเนี้ยมี อินซีอันไนมีอินซีแก่กล้ากว่ากันอันนี้มันต้องแยกวิเคราะห์จะวิเคราะห์พยากรณ์โดยส่วนเดียวไม่ได้แต่เพราะว่าชีวิตมันมีหลายด้าน The facet เนี่ยนะหลายด้านเหมือนกับเจรนายเพชรเนี่ยด้านนี้คนนี้เขาเงาแล้วมันแล้วแต่อีกด้านหนึ่งก็ยังไม่เงาไม่มันแต่ส่วนของเราด้านนี้เราเงาแล้วมันแล้วดีแล้ว แต่อีกด้านนึงอาจจะยังไม่มันไม่เงาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเราดูนะพิจารณาดูสําหรับคนที่มีวิถีชีวิตแบบวีแกนเต็มที่เลยแล้วก็ไม่ได้มีจิตใจที่แบบจะมากินเนื้ออีกหรือว่าขอสักนิดนึงอย่างเงี้ยไม่มีแต่อ น, นี้คือสัมมาอาชีวะของเขาเนี่ยก็มีในด้านนั้นๆมีครบถ้วนในด้านนั้นๆั้นนะคำว่าครบตัวนในด้านนั้นๆคือหมายถึงในชีวิตความเป็นอยู่ในทุกๆวันของเขา เออมันดีมันมีก็มีสัมมาอาชีวะอยู่ก็คือมีหิริโอตปามีสติดีในการดําเนินชีวิตนี่คือมีสัมมาอาชีวะสูงละในขณะที่คนที่ยังทําไม่ได้ยังแบบหลุดบ้างตรงนี้อยากกินบ้างกินไข่ตรงนั้นกินนมตรงนี้ไอติมก็ชอบที่มันเป็นแบบมีนม อ, อันนี้ก็คื อ, อยังอาชีวะยังไม่เต็มที่ยังมีสติที่หลุดบ้าง ในส่วนที่เป็นของการดําเนินชีวิตแต่ว่าคนที่มาปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังแบบนั่งสมาี่ไปวัดไปเข้าคอร์สหลายรอบแต่ว่าอาจจะหลุดบ้างเรื่องการดําเนินชีวิตในวิถีชีวิตแบบวีแกนอันนี้แสดงว่าสัมมาอาชีวะของเขาเนี่ยยังไม่เต็มที่เท่ากับอะไรเท่ากับสัมมาสติแต่ของคนที่เป็นวีแกนแบบเต็มที่เลยแต่ว่าไม่ได้มาปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องเป็นานามเป็นรูปเป็นแบบ สัมมาสติเขาอาจจะดีไม่เท่าแต่สัมมาอาชีวะของเขาอาจจะมากแต่ขณะที่คนที่มาปฏิบัติที่ว่าเป็นเรื่องเป็นราวเป็นชิ้นเป็นอันแต่ว่ายังดําเนินวิถีชีวิตได้ไม่เต็มที่เสัมมาสติเขาอาจจะสูงสัมมาสมาธิก็าอาจจะสูงแต่สัมมาอาชีวะเขาอาจจะต่ํามันต้องแยกกันไปในเรื่องการดําเนินชีวิตแล้วก็ในเรื่องขององค์แห่งสัมมาสติหรือสัมมาสมาธิโดยรวมอันนี้นคือเรื่องของอินทรีย์ ทำไมอินรียถึงเอามรค8มาวิเคราะห์ก็แปลว่าธรรมะทุกอย่างเนี่ยมันจะไม่ได้ใหญ่เกินไปกว่ามรคแปดแต่ในอินรีห้าก็มีมรคแปอยู่ในนั้นถ้าเราจะมาวิเคราะห์อินรีห้าสำหรับบุคคลในบุคคลหนึ่งแล้วมันวิเคราะห์ไม่ได้เราก็ต้องใช้หมวดธรรมะอื่นก็ามาอธิบายหรือถ้าจะใช้อินซีห้าอธิบายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นเรื่องการดำเนินชีวิตอย่างเงี้ย คือเป็นอาชีวะเนี่ยนะคนที่เขาสามารถดําเนินชีวิตในวิถีชีวิตแบบวีแกนได้อย่างเต็มที่เลยโดยไม่ได้มีความอยากที่จะกลับไปเนื้อนมไข่อีกเนี่ยเพราะว่าศรัท ธ, ธาเขาสูงแต่ศรัท ธ, ธาเนี่ยก็มาจากยีริโอตปะนี่แหละความกลัวความละอายต่อแบบจริงที่มันไม่ดีจะไม่ทําหรอกแตบบ่การเบีเปลี่ยนชีวิตศัตด์แบบศรัท ธ, ธามากคนนี้พอศรัท ธ, ธามากวิริยะก็สูงวิรยิยะคือการทําจริงแน่จริงมากสถิติมันก็ตั้งเต็มที่เลย ก่อนกินฉันต้องพิจารณาดูก่อนนี่มันส่วนผสมอะไรเขาก็มี conscious choice มากขึ้นไม่ใช่อะไรนะมากกราดใจฟาดใจอันนี้เขาก็จะรู้จักมีการตั้งสติขึ้นและอินทรีย์เขาก็มีสูงในเรื่องนี้แต่เรื่องพอมาปฏิวัติธรรมว่าจะดั้งได้ไม่นิ่งไม่สงบอินทรีย์เขาก็ต่ำในเรื่องนั้นไอคนที่ยังดําเนินวิถีชีวิตแบบพิการได้ไม่เต็มที่ยังอยากกินนั่งกินนี่อยู่ แต่ว่าคุณไม่ได้ศรัทธาในเรื่องนี้อย่างเต็มที่แต่ศรัทธาไม่เต็มที่ทำไมอ่ะข้อมูลก็อาจจะยังได้น้อยปัญญามันยังไม่ได้มาเพิ่มศรัทธาตรงนี้เราก็ศึกษาหาข้อมูลจะเพิ่มขึ้นมากขึ้นว่าโอมันเบียดเบียนกันยังไงอาหารนี่มันเน่ามันเหม็นยังไงพิจารณาให้ดีอะไรที่กระบวนการที่เขาทามาเนี่ยมันสกปรกมันน่าเกลียดอย่างไรใกรใควรให้ราบคอบ เข้าไปแล้วมันทําให้ร่างกายของเรามันแย่มันไม่ดีอย่างไรเกี่ยวกับทั้งเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับทั้งเรื่องของสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับทั้งเรื่องของศีลธรรมเกี่ยวกับทั้งเรื่องของคําสอนของพุทธมี5ประเด็นตรงนี้นะหสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมยังไงเราไปหาข้อมูลดู 2. เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพแว่าเข้าไปแล้วมันจะปเปลี่ยนร่างกายเราอย่างไรพวกแอนิเมลโปรตีนเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของเอธิคอ เกติกนี่คือเกี่ยวกับศีลธรรมว่ามันไม่ถูกศีลธรรมอย่างไรแล้วก็ที่4เกี่ยวกับเรื่องของทางคําสอนของพุทธะนะคือมีสีก็ไม่ใช่ฮะก็มี4ประเด็นนี้เราไม่ควรพิจารณาดูให้มากที่จะมามบอกนี่คือประเด็นที่4อย่างเดียวเท่านั้นเองนะพวกนี้มีเหตุปัจจัยพร้อมก็คือมีเรื่องของสุขภาพเข้ามาด้วยเอามี2จาก4เห็นให้จริงแล้วเออมันไปได้แล้วเราเพิ่มประเด็นเรื่องของสิ่งแวดล้อม เรื่องของ ethical เข้าไปเห็นดูหนังเรื่อง c ่า s p เ r เรซเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าโอโ้เรื่องสิ่งแวดล้อมนี่สำคัญเว้ยถ้าเรายังมัวกินเนื้อนมไข่อยู่นี่โลกมันร้อนขึ้นแต่เราเปิดแอร์ทุกครั้งเราขับรถทุกครั้งเนี่ยมันไม่ได้ช่วยโลกนะแต่กลับทำให้โลกนี้ร้อนขึ้นแต่คาร์บอนไดออกไซด์หรือความร้อนขึ้นที่เราผลิตจากการเปิดแอร์หรือขับรถยนต์เนี่ย มันไม่ได้เป็นเศษเสี้ยวคือมันน้อยมากถ้าเปรียบเทียบจากการที่เราเอาเนื้อเข้าปากแต่เราเอาเนื้อนมไข่เข้าปากเลยมันเบี่ยนเบียนโลกมากกว่าเปิดแอร์ขับรถยนต์เรามาพิจารณาตรงนี้ตอนนั้นเองว่าโหตายละเราเปิดแอร์ก็บ่อยนะเราไปไหนนี่ก็มันก็ใช้รถฮะเครื่องบินด้วยอะไรด้วยเนี่ยโอ้เรามาช่วยทางด้านเอาอาหารใส่ปากดีกว่าแต่สิ่งแวดล้ําตรงนี้เราช่วยได้หรือเรื่องของเอธิค เกีย่ยวกับเรื่องศีลธรรมสัตว์พวกนี้ก็มีชีพจิตใจเหมือนกันแต่เขาทำกรรมมาได้มาเป็นอย่างเงี้ยเราก็มีความกรุณาคือ compassion มีความเมตตาคือ loving kindness กับสิ่งเหล่านี้เนียเพิ่มประเด็นพวกนี้เข้าไปศรัทธาเราก็เพิ่มขึ้นวิริยะเราก็จะเพิ่มขึ้นสติเราก็จะตั้งได้ดีขึ้นไม่ใช่อะไรก็จับยัดจับยัดหรือไปเที่ยวหากินตามความสุขของลิ้นแต่เราจะมีความพิจารณามากขึ้น พิจารณาด้วยเหตุผลตรงนี้ดีแล้วอจะทําอะไรที่มันดีๆสวยๆงามๆ ม, มากินอันนี้ก็เป็นธรรมดาของกราวาที่จะบริโภคกามอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นในจุดหมายข่าวครั้งนี้ได้พูดถึงเรื่องของ2ประเด็นก็ลักษณะการกินของผู้ที่ยังบริโภคกามอยู่ผู้ทียังครองเรือนอยู่เจริญติดต่อกับผู้คนยังมีความยินดีในเรื่องของตาหูจ ม, มูกลิ้นและกายประเด็นที่2พูดถึงเรื่องของอินทรีย์ อินทรีย์ในที่นี้คือสัตธารวิทยาสติสมาธิปัญญาระหว่างบุคคลสองระเภทซึ่งอันนี้ก็ต้องมีการแยกวิเคราะห์อย่างดีว่าวันนี้ก็ Sign Off ในเรื่องของจดหมายข่าววีแกนประจำเดือนมิถุ น, นายนจุลปัน